ขอความเจริญในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่ร่วมปโบทยานได้นำเสนอเรื่องการตอบคำรับคำอาราธนาของท่านสามดีพรมที่รพระภูมิพระภาคย่ารับสั่งแล้วก็ได้ขยายความในเรื่องศรัทธาออกไปพิสดารพอสมควร พอดีท่านสามปดีพรมเมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงรับความอาราธนาของท่านแล้วก็ถวายบงคมลาและอันตรฐานไปจากสถานที่นั้นครั้นนั้นพระพุ้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดำริว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้จับพลันแล้วก็ทรงดำริต่อไปว่าอาลาดาบทกาลามโคด เป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีธุลีคือกิเลสในจกักษุน้อยเป็นปกติมานานถ้ากระไรก็พึงแสดงธรรมแก่ท่านอาลาดาบทตรกาลามโคตรก่อนเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันที่นั่นเทวดาก็มากราบทูลให้ทรงทราบว่าท่านอาลาดาบทตรกาลามโคตร ได้มรรภาพก่อนหน้านั้นไปแล้วเจ็ดวันพระยานของพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ทันก็พร้อมๆกับคำอารัตนานั่นเองคือประเด็นที่น่าศึกษาคือท่านอลาดาบทเนี่ยก็เป็นอาจารย์ซึ่งเคยสอนการมาเป็นเพียนทางจิตแก่พระโพธิสัตว์มา ก็ถือว่ายุคสมัยตรงนั้นก็ก้าวหน้ามากเพราะว่าได้รูปประชาน4สี่แล้วก็รูปปันรสามก็ได้สมาบัติเจ็ดกิเลสประเภทที่เกิดขึ้นกลุ้มหุ ม, มใจเราที่เรียกวนิวรนเนี่ยไม่มีสมหรับท่านเหล่านี้แต่ก็ต้องเข้าใจว่าไม่มีในขณะที่ท่านเข้าสมาธิเกณฑ์ยามปกติเวลามีอารมณ์มากระตุ้น มันก็เกิดความรู้สึกได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่รุนแรงอย่างสามัญชนคนทั่วไปเท่านั้นเพราะนั้นทำไมเราเห็นภาพว่าพวกดาบด ท, ทั้งหลายเนี่ยพวกดาบดปุรุีชีไพรทั้งหลายเนี่ยท่านมักจะอยู่ในป่าเพราะว่ามันไกลจากสิ่งที่เป็นข้าสึกต่อจิตใจ ถามว่าสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจก็คืออะไรก็คือพวกกมอมคุณทั้งหลายผูกรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมหมอมรสอร่อยสัมผัสที่น่าจับต้องตลอดตึงอารมณ์ที่ใจเป็นเนียวนึกจึกนึกด้วยความกำ น, นัดความเพลิดเพลิพนยิน ด, ดีเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคเพราะชีวิตส่วนใหญ่ของท่านมันก็อยู่ที่การเจริญฌานบางทีก็จนเป็นการเล่นฌานไป เมื่อท่านทำอย่างต่อเนื่องท่านก็ไม่เห็นกิเลสไปในใจท่าน้ามันเกิดการปักใจฝังใจว่าตรงนี้ก็ จ, กจบแล้วจบภารกิจแล้วแล้วก็หยุดขวนขวายหยุดการสแสวงหาอีกต่อไปเพราะนั้นโดยพื้นฐานที่มีสมาธิเป็นฐานเนี่ยปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นมาจากการมีสมาธิจำนวนมหาศาลนะร มาความว่าโดยจิตที่เป็นสมาธินีสสามารถสร้างปัญญาขึ้นมาได้ทำให้พระบางรูปซึ่งท่านไม่รู้หนังสือเลยแต่ก็มาเล่นทางสมาธิสามารถแสดงธรรมะออกไปโดยวิจิตพิสดารชื่อของธรรมะนั้นอาจจะเรียกไม่ถูกตามศัพ ท, ที่บัญญัติขึ้นแต่ว่าโดยสภาวะของธรรมะแล้วท่นานอธิบายได้ถูกต้องชัดเจน วันท่านอาลาดาบทผู้เจ้าก็ส่งยกย่องว่าเป็นผู้ฉลาดแล้วก็เสียบแหลมมีไหวพริบมีปฏิภาณแล้วก็มีปัญญาไปลองสังเกตทั้งสามคำเนี่เป็นอาการของปัญญาและมีทุลีคือกิเลสในจักสุน้อยเป็นปกติก็หมายความว่ามีใจบริสุทธิ์ แต่เป็นความบริสุทธิ์ระดับที่เราเรียกว่าวิคัมพะณะปะหารหรือละกิเลสด้วยการสยบ ก, กิเลสเอาไว้กิเลสไม่ได้ทําปฏิกิยาต่อจิตแต่กิเลสมันก็เป็นตะกอนอยู่ภายในจิตเพียงแต่ว่าถูกสยบไว้ท่านอุปมาเหมือนกับเอาเสือลำแพนมาปูไว้กลางสนามเราก็ไม่เห็นหญ้าเรียวศิลามาทับ ย่าเอาไว้เราก็ไม่เห็นย่าเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมาดความว่าย่าไม่มีก็ย่าก็ยังมีอยู่นั่นเด็กเพราะจะเรื่องราวของคนที่บําเพ็ญเพียรมาขนาดเนี้ยแล้วก็มีคนเป็นอันมากที่เสื่อมพระเจ้าเราเองก็เคยเสื่อมนะฮในสมัยที่เป็นระบอบศรีสัจอยังไม่ได้ศ ร, ษษรัทธาเราก็รับสั่งเล่าเอง ขนาดบำเพ็ญเพียรจนบรรลุถึงอภิญญาแล้วก็ยังเสื่อมได้อภิญญาที่เป็นโลกียะห้าประการ น, นนะครับทีนี้เมื่อเมื่อมีความพร้อมในขนาดนี้ยแล้วก็มีประเด็นที่ว่าเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้จับพลันมันเป็นประเด็นที่น่าศึกษาว่าสมมติตีต่างว่านะครับตีต่างว่าท่านอาลาดาบท กะลาโมโครจะมีชีวิตอยู่แล้วพระเจ้าเสด็จไปโปรดเนี่ยท่านจะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมเป็นเรื่องที่น่าคิดนะเพรา ะ, ะเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วเราก็ต้องไปมองในตรงอื่นด้วยนะเพราะการรู้ธรรมคนแรกเนี่ยมันมีคนสร้างบารมีมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ คือท่านอัญญากณทัญญะท่านสร้างบา ร, รมีมาในอ ด, ดีตแล้วทุกครั้งในอธิษฐานขอเป็นสาวกคนแรกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคนตเพราะงั้นท่านอลาดาบทเนี่ยจึงต้องตายไปก่อนบา ร, รมีท่านไม่ถึงหรอกเพราะว่าท่านไม่ได้สร้างบา ร, รมีมาเพื่อเพื่อจะรู้ธรรม แต่โดยพื้นฐานจิตแล้วเนี่ยก็สามารถจะรู้ธรรมได้นะฮะสามารถจะรู้ธรรมได้ไปจับพันทีนี้เกณฑ์กําหนดการรู้ธรรมเนี่ยกําหนดไว้ขนาดไหนก็ถ้าเราไปมองที่ปัญญากโณทัญญะที่พระเจ้ารับสั่งว่าอนยาสิวัตโผโนทัญโยอญยาสิวัตโผโนทัญโยแปลว่าคนอัญญะได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญคนทัญญาได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญเนี่ยก็บรรลุระดับสุดับบัน เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะบรรลุมันก็น่าจะบรรลุที่หลังท่านคนลทัญญาทีนี้ถ้าบรรลุที่หลังท่านคนลทัญญาเนี่ยมันก็คงจะไม่เกินอนาคามีทำไมจึงอยู่จึงอยู่ที่อนาไม่เกินอนาคามีตรงนี้พระปัจาจานาจไม่อธิบายไว้หลอกแต่ว่าอยากจะนำท่านผู้ฟังไปศึกษาข้อมูลในในด้านต่างๆนะ ที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มันที่จริงมันมีบารมีนี่อยู่เบื้องหลังมากคือว่าคนที่บารมีจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้เลยนะท่านเหล่านี้ต้องบรรลุมรรคผลเป็นอาหนก่อนจึงจะนิพพานถ้าไม่งั้นฟ้าถล่มดินทลายยังไงเนี่ยทให้ท่านตายไม่ได้หรอกเขาเรียกว่าปัจฉิมภวิกษัตรคือสัตว์ที่เกิดมาในภพสุดท้าย ถ้าเป็นระดับพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาเรียกว่า น, นิยต์ตาโพธิสัตว์คือโพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้แน่นอนจะต้องศัสรุไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นตัวนี้ใครฆ่าไม่ตายมีตัวอย่างบุคคลหลายๆท่านที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะรอดนะแต่เพราะท่านเป็นปชิมะพะวิกระศท่านก็รอดมาจนได้นะเช่นยกตัวอย่าง พระสังกิจตอนตอนที่แม่ตายเนี่ยท่านยังอยู่ในคันของแม่ท่านก็ไม่มีใครรู้นะว่าเด็กตายหรือไม่ตายก็แม่ตายก็นึกว่าลูกตายก็ไปเผาโภความร้อนเข้ามาถึงเต็มที่เนี่ยคันแม่ระเบิดเนท่านก็กระเด็นลอยไปตกบนกองฟืนซึ่งเขาขนมาเพื่อจะเผาศพนต่ละแต่มันก็เหลือ ตจก็นอนสบายอยู่ทั้งคืนนะไม่มีปัญหาอะไรรู้วเช้ายาดพี่น้องมาดับธาตุก็ไปเจอข้าวกอดีใจก็นำไปเลี้ยงแล้วก็ให้ชื่อว่าสังกิตต่อมาก็ได้วบวชเป็นชามเนรนะแล้วกวนรูปมรผลเป็นพระหานตั้งแต่เล็กๆมีองคงหนึ่งคือพระภากูละเป็นพระเทราที่อายุยืนที่สุดอยุถึงแปด อ่าร้อยหกสิบปีนะร้อยหกสิบปีปยืนที่สุดแล้วตั้งแต่เกิดมาไม่เคยป่วยเลยเป็นผู้ชีไม่มีโรคภัคยไข้เจ็บเบียดเบียนอะไรเลยตอนี้สงที่ถวายยาแก่พระสงฆ์ในอดีตการมาพ่อแม่เอาไปอาบน้ำในแม่น้ำแม่น้ำมจิราวดีนะฮะที่ไหลผ่านคงสวัสดีเนี่ย ก็ประกอมีปลาตัวใหญ่มาคุบก็ไปคิดว่าเหยือ่อคุบก็ไปในท้องเลยรลืนก็ไปแ้วพอดีปลาว่ายไปหน่อยเดียวก็ไปติดติดที่เขายกยอเนี่ยติดอ้วนเขาก็บังกู้อยู่พอดีกู้ขึ้นไปก็เห็นอ้อมมาตองผิดปกติก็เลยพาก็เจอเด็ก พ่อแม่เขาก็ตามมานะฮะไหว้าตามมาเอ้วิ่งตามเลาะตามตะลิงมามาเจอกันแล้วก็ฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมแล้ฝ่ายนู้นก็ไม่ยอมตกลงว่าเป็นลูกสองพ่อสองแม่ท่านก็ได้รับการบำรุงเลี้ยงดูอย่างดีจากครอบครัวทั้งสองเนี่ยแต่ในสุดก็ได้ออกบทบรนลุมรคผลเป็นราหันเพราะนั่นเป็นการแสดงว่าบารมีของท่านอาลาดาบทเนี่ย จะ อ, อยู่ไม่เกินบรรุมผลเป็นพระนาคามีเพราะว่าอันเดียผลระดับนี้มีเสื่อมได้นะครับเสื่อมไปได้ถ้าหากว่าเวลาโอกาสมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปมันมีตัวอย่างรู้เจ้าเสด็จไปพบขอทานสองคนชราสองคนผูวเมียขอทานชรานะชรามากแล้ว ก็คงจะเป็นคนรุ่นก่อนที่พระเจ้าจะอุบัติขึ้นมาในโลกตอนพระเจ้าไปพบก็เป็นผู้เท่าชราภาพมากแล้วขอทานได้ร่อนไปอาศัยตามชายบ้านของชาวบ้านพระเจ้าไปแร้สั่งเล่าพระอานนท์ฟังว่าขอทานสองคนผัวเมียเนี่ยที่จริงเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเศรษฐีที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมากมีทรัพย์ฝ่ายละหกสิบโกรนะไม่ใช่หกสิบโกรชายร้ยี่สิบโกร ก็พ่อแม่เน่ยประคบประงมอย่างดีเพราะว่าลูกโทนทั้งคู่เลยก็ไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนไม่ฉลาดในการที่จะบริหารทรัพย์สมบัติหรือประกอบสมาชีพไปพ่อแม่คิดว่าไอ้เงินหกสิบโดแล้วก็สองคน120ร2อยยี่าสิบโดเนี่ยมันมาศาลไน้เยหรือใช้จ่ายายังไงก็ไม่รู้จักหมดสิน้น เมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วก็ถูกบริษัทบริวารที่้อมล้อมน่ะมันไม่ซื่อสัตย์มันหลอกลวงร่ำรวยได้ง่ายนะฮะแล้วก็ชวนไปส ม, มะเลเทมาติดอบายมุกต่างๆพลาดพลานทรัพย์สมบัติจนจบลงโดยหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็กลายเป็นขดทานพุจจ ա รับสั่งว่าคนทั้งสองเนี่ยเป็นคนประมาทถ้ า, าว่า เอาทรัพย์สมบัติซึ่งมีอยู่เป็นต้นทุนอยู่ถึงร2อยยี่สิบโประกอบสมาชิกตัวเองนะฮะจะปลากลายเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในกรุงสาวทีถ้าออกบวชเนี่ยผัวจะได้บรรลุอนาคามีพัญญาจะได้เป็นพระสกทาคามีเอาเฉพาะในปฐมวัยนะทีนี้เมื่อเขาประมาทมันก็เสื่อมหมดทั้งสองอย่าง ตั้งโลกิยทรั์แล้วก็โลกุตระทรั์ทีนี้ถ้าจำนึกตัวได้ก็เกิดไม่ประมาทในมาจิมมาไวทรัพ์ ส, สมบัติก็ยังพอมีอยู่เอามาประกอบอาชีพสร้างสถานะแก่ตัวเองก็จะเป็นเศรษฐีผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถี ถ้าออกบวชเนี่ยสามีจะเป็นพระสกทากรรมีพันยาจะเป็นปะโสดบันแต่ก็ซื่อหมดอีกทั้งสองอย่างทีนี้ทรัพย์ที่มันเหลืออยู่ตอนอายุมากแล้วเนี่ยก็พอสมควรคือถ้าเอามาประกอบอาชีพเป็นทุนประกอบอาชีพก็สามารถที่จะเป็นเครือบอดีย่อมยอมได้คนเนี่ยงเรียกว่าอยู่ดีมีสุขได้แหละแต่ก็ไม่ได ไม่ได้ทำงานอดียวนันแล้วถ้าออกบวชเนี่ยผัวจะเป็นพระโสดาบันเมียจะเป็นกัลยาณนะ์นพุทธชนก็ไม่ได้อีกทั้งสองอย่างเห็นไหมว่าแสดงว่าจริงๆเนี่ยมรรคผลมันเสื่อมได้ถ้าไม่บาเพ็ญเพียร พ, พยายามต่อไปแล้วก็ประมาทปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปผัวนั้นบารมีจนถึงอนาคามีปัญญาบารมีถึงสักกตาามี ในโลกุตระศัพท์นะแต่ก็ไม่ได้ทั้งสองอย่างเพราะนั้นจากจากตัวอย่างที่ยกมาให้เห็นเนี่ยว่าถ้านาลาดาบุตรกาลมโครหรือท่านจะเก่งยังไงก็ตามนะท่านจะเป็นผู้ฉลาดเสียบแหลมมีปัญญามีทุลีคือกิเลสในะจัสู่น้อยแล้วก็มานานเป็นมานานเลยด้วยเนี่ยท่านก็เป็นผู้เท่านะคือตายไปก่อน ค so ือสมมุติว่าไม่ตายเนี่ยสมมติว่าไม่ตายพระยานก็ต้องเกิดต่อไปต้องเกิดต่อไปว่าไม่ไปลงไปลงที่ปัญญากรณัญญาจะได้เพราะว่าปัญญากรณัญญะนั้นท่านสร้างบารมีมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วในพวกอปาทานคือจะเล่าประวัติของพระเทระก็เรียกเทระคาถากองพวกอปาทานเล่าอดีตประวัติของพระเทระเหล่านี้ ที่แต่ละท่านได้เนี่ยได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าได้ฐานะนั้นๆคุณสมบัติพิเศษอย่างนั้นอย่างกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทําบุญบําเพ็ญบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอธิษฐานต่อพระพักของพระพุทธเจ้าในอดีตขอได้เป็นพุทธอุปถาคอย่างพระอนุนเนี่ยก็ขอใเป็นพุทธอุปถาภาษาดิบุตรขอให้เป็นอักษาวกที่มีปัญญาประมอกการนาก็ขอให้เป็นอักสาวก กือเกิดขึ้นในแรงอธิษฐานมันก็ทาให้ได้หลักที่น่าศึกษาพิจารนาว่าปฏิปทาของพระอริยะพระสโพธิสัตว์เนี่ยหรือว่าพระยะบุคคลทั้งหลายเนี่ยท่านทำบุญทุกคราวเนี่ยท่านอธิษฐานแต่ก็แปลคือได้ยินได้ฟังกันมาแล้วมาพูดกันเป็นดุเป็นตะแล้วบางทีพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไปพูดกับเขาด้วย คือทำบุญต้องไม่ตั้งความปรารถนาอะไรมันไม่มีทิศทางนะแล้วถ้าเราดูปฏิปทาพระอาหารหันเนี่ท่านอธิษฐานพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์อธิษฐานตลอดพระหานตั้งหลายถ้าเราไปดูประวัติของท่านท่านก็นอนธิษฐานเพื่อเป็นอย่างนั้นเพื่อเป็นอย่างนี้เพื่อเป็นอย่างนมันมีจุดมุ่งหมายเช่นว่าคนเรียนหนังสือปรารถนาจะจบปริญญาตรีเนี่ยมันเป็นเป้าหมาย มันเกิดมุมานะพยายามต่อสู้มขมนว่าอุปสรรคอันตรายต่างๆเพื่อจบปัญญาตรีให้ได้หรือบางคนก็ฝันสูงฝันไกลฝันต้องการเป็นด็อกเตอร์มันก็ต้องปรับพื้นฐานเนี่ยจริงจังมีความเข้มแข็งมุกมานาเด็ดเดียวไม่เป็นนั้นหลับอันนอนกันทีทเดียวก็ทุ่มเทชีวิตลงไปเพื่อศึกษาให้ประสบความสาเร็จได้ แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือผลสมเปรจในชีวิตของคนเนี่ยมันมีอดีตกรรมเป็นตัวก็ไม่แน่นะฮะบางทีก็เป็นทวนําำมาเกิดเลยที่เราเียกบารมีเนี่ยอย่างพูดปฏิบิมหพภะวิกษัตร่ยตรยเช่นว่ามีบารมีอยู่เบื้องหลังเยอะแต่ว่าการนำมาเกิดเนี่ยมันก็ไม่แน่อีกอะ่ะเราดูพระอาหารหันต์บางบางท่านเนี่ย เกิดในสกุลของกรรมกรของกุลีของขอทานอะไรตัวไหนเนี่ยก็แสดงว่าชนกกรรมที่นําให้เกิดนั้นเป็นอกุศลที่มีกําลังไม่มากกุศลเองก็มีกําลังไม่มากคือไม่ถึงก็ทําให้ตกนรกเพราะมันมันมีบารมีอยู่บ้างหลังแต่พอดีพวกนี้ก็ให้ผลได้ก่อน แล้วก็ทําหน้าที่เป็นชนกกรรมแล้วก็อดิตกรรมซึ่งเป็นบา ร, รมีธรรมเนี่ยเข้ามาเป็นอุปฆาตกรรมเข้ามาฆ่าผลของชนกกรรมก็นํ า, าให้ท่านดิ้นรนเพื่อแสวงหาทางรัสรู้ทางบรรลุมรรคผลให้แก่ตนเองทราบข่าวคราวการอุ บ, อบัติของพระพุทธเจ้าก็รีบเร่งไปเฝ้าเป็นต้นเนี่ยนั้นจะมีความรู้เมียงภายในจิตใจของท่าน หือประการหนึ่งก็คือว่าบา ร, รมีมันก็คือสังขารนั่นนะฮะบา ร, รมีก็คือสังขารอย่างหนึ่งก็เป็นกุศลเจตสิกเกิดขึ้นปรุงจิตแต่มันก็เสื่อมนะฮะมันมั น, ม, นมันเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเพราะนพวกเหล่านี้จึงต้องมีความต่อเนื่องคือการจเจริญกุศลเนี่ยจะต้องพยายามทำต่อเนื่อง อย่างที่ส่งสอนเป็นหลักเอาไว้ว่าถ้าบุคคลจะทําบุญให้ทําบุญนั้นบ่อยๆปลุกฝังความพอใจในบุญนั้นเพราะบุญที่บุคคลสะสมเอาไว้จะนําความสุขมาให้แล้วก็ให้เห็นความสําคัญของบุญกุศลคืออยดูหมิ่นว่าเป็นของเล็กน้อยนิดหน่อยอะไรแต่ไรเนี่ยเพราะจริงแล้วมันเป็นเรื่องของการสะสมบารมีในแปลว่าการเก็บการสะสมความดี อาสวะนี่คือคสสะสะสมชั่วนะฮะเก็บชั่วสะสมชั่วอ น, นี่ก็เก็บดีสะสมดีก็กลายเป็นเรื่องอาสวะกับบารมีที่ต่อสู้กันอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วเขาก็มาพร้อมที่จะเข้าส่งเสริมสนับสนุนบุคคลเราเนี่ยพลังของอธิษฐานเนี่ยจะเป็นพลังที่น่าที่น่าคิดนะฮะว่า ไม่ใช่ท่านอาลานาบทคนเดียวที่ตายล่วงหน้าเนี่ยอุตการาบทก็ตายไปก่อนคือยังนึกถึงยีสมเด็จประสังคราตโองหนึ่งสมัยอาตมาเป็นเป็นพระใหม่ๆ่ะนะบวชสัก 3, 4, สามสี่พรรษาหลวงปู่ที่จังหวัดนครท่านจับมือพระเทระรูปเนี้ยเป็นเจ้าคุณอยู่ตอนนั้นจับมือท่านบอกโอ้เจ้าคุณนี่เป็นสังฆราชนะเนี่ย บารมีเป็นถึงสังกรดาท่านก็บอกโอ้ยเป็นอะไรผู้ใหญ่ขน้าเยอะท่านบอกไม่ได้นะผู้ใหญ่ที่อยู่ขน้านี่ตายหมดถึงเวลาแล้วเจ้าคุณก็เป็นทั้งราชแล้วก็เป็นจริงๆเป็นเรื่องแปลกเออยังนึกยังนึกอยู่จนทุกวันเนี้ยเออหลวงปู่เนี่ยก็ไม่พูดเรื่องโขนเรื่องเงินอะไรใครกับใครวันดีคืนดีไปจับมือท่านเจ้าคุณเขาแล้วก็บอกเลยตอนนั้นท่านเป็นิรัญนบัติอยู่ มาเป็นพระหนุ่มๆพรรษาทักษิณัรรษานะแล้วก็เป็นอย่างที่ว่านั่นคือคือเรื่องเหล่านี้มันมันมันมีอะไรที่ว่าไม่อาจจะปิดกัน้นหมนยความว่าใครจะขวางอยู่เนี่ยบารมี้พ่แพ้แก่บารมีเขาเรียกว่าวาสนาบารมีซึ่ง ถ้าหากว่าใครไปไปขวางทางอยู่เนี่ยจะต้องมีอันต้องหลีกทางให้ต้องมีอันเป็นไปก็เป็นเรื่องน่าคิดนะะเดล๋ยก็มีตัวอย่างเรื่องราวต่างๆมาเยอะดังนั้นการสร้างบา ร, รมีจึงต้องทําต่อเนื่องเพราะว่ามันก็มีคนอื่นก็สร้างด้วยแล้วก็พอดีที่ว่าถ้าเหล่านี้ไม่ถึงการที่ฐานบา ร, รมีที่จะเป็น ปฐมสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นภิกษุรูปแรกะฮะในพุทธศาสนาะแต่จริงท่านก็ตายด้วยกำลังของอรูปฌานข้อที่สามคือกินจัญญาญาตนาฌานเนี่ยบังเกิดในกินจัญญาญาตนาภพนะฮะก็เป็นรูปประพรมที่มีอายุอเนกนานเหละเกินไม่รู้เท่าไหร่นับกันไม่หวานไม่ไหว แต่ว่ายังเป็นไปเพื่อสังสารวัตคือท่านเ อ, เองยังต้องเวียนไว้ตายเกิดอยู่เพราะนั้นพระเจ้าก็ทรงรู้แล้วก็ดาริว่าเป็นผู้มีความเสื่อมใหญ่เพราะถ้าท่านอาลาระบทนี่ก็แสดงว่าเสื่อมใหญ่ถ้าได้ฟังธรรมก็จะรู้ธรรมะได้โดยแผ่นแต่ ว, ว่ามัจจุราชก็มาตัดซะก่อนต้องฟังปต่ไร แต่รมวงปพุทยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี